กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็มาอยู่วัดก็รู้สึกยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีง่วงซึมค่ะโมหามันเยอะนะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปทำงานกวาดบ้านทูบ้านรเนะี้ยรู้สึกตัวเลยเนยะเวลาจิตมีโมหามไปนั่งนิ่งๆยิ่งหลับเลยไม่ดี ฟุ้งมากมากก็พอไปนั่งภาวนาก็รลับอีกนะนี่อาศัยความเคลื่อนไหวของร่างกายนะกระตุ้นความรู้สึกตัวนะทำไปคุณแม่โมหาหน้อยคุณแม่ตอนเป็นโยมอะเครื่องอยู่ของคุณแม่คือนั่งถักเรียกอะไรนี่เป็นเหล็กสองอันถักถักสองอันถักหมวกถักย เยอะแยะะเอาใส่ท้ายรถไว้ไปไหนเจอพระก็ให้ถวายเป็นเครื่องอยู่แทนที่จะนั่งสมาธิเดี๋ยวหลับ้วกระดุกกระดิกไปกราบน้ำรส ก, การหลวงพ่อค่ะคือก่อนมาอยู่วัดค่อนข้างเพ่งเยอะที่รู้ว่าเพ่งเพราะว่าทำแล้วอึดอัดมากแล้วก็เหนื่อย พอมาอยู่วัดก็ลองทําตัวให้สบายขึ้นก็รู้สึกเครียดน้อยลงแต่ว่านานๆจะรู้ตัวทีคือฝุงไปห้าหกเรื่องรู้ตัวสักแค่เรื่องหนึ่งก็ยังบุญนะไม่ใช่ลงแต่เช้าเย็นๆแล้วรู้อะไรเงี้ยหนานแต่ห้าหกเรื่องไม่เป็นเไรฝึกรู้บ่อยๆต่อไปมันก็ชํานาญก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นค่อยๆฝึกไป ยังเพ่งอยู่นะเ mm hmm. นี่ยเพ่งอย่างนี้ดูหน้าหลวงพ่อห mm hmm. ลวงพ่อจูนเท่ากับจิตของเราแล้วดูออกป่า <c oughs> นะยังไว่าน่าเกลียดเอ อ, เอหนูเดินสลับกับขยับมือค่ะ mm hmm. แต่ก็ยังรู้ไม่ค่อยทันไหนขยับให้ดูสิ ทำใจให้ปกติก่อนเริ่มต้นมันก็ผิดที่ใจแล้วใจไม่ปกติตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ขยับไปตื่นเต้นก็ขยับไปไม่ต้องไปนั่งแก้ยังขยับไปบังคับจิตไปนะไหนเดินให้ดูซินึกว่าเป็นแคทวอลก เดินดีกว่าขยับนะไปไปนั่งคนต่อไปกรอาน้ำมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะโยมปกติที่ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีสามสี่เนี่ยทำยุบหน่อกองหนอค่ะแต่ไม่มีความ<ด>ก้าวหน้าเลยค่ะหลวงพ่อดู่อกแล้วก็เมื่อปีหกหนึ่งนะคะก็ทำมาตลอดนะคะก็คืออัดตลอดหาย ใ, ใจไม่สะดวก พอเมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยก็มีพระอาจารย์องหนึ่งอ่ะไปอยู่วิเวกอ่ะท่านก็บอกว่าให้ทำตัวชิวๆโยมก็สบายใจก็ทำได้นะคะแล้วก็ไม่หลับห้าคืนได้อะค่ะก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพอช่วงปีที่ผ่านมาปีหกสองทั้งปีเลยะค่ะประมาณสิบเดือนก็ฟังเทปของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามก็รู้สึกว่าไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยพัฒนานะคะ แต่ก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะก็ลองพิจารณาตัวเองดูว่ากลับไปทบทวนว่าเอ๊ะเราไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พัฒนาจริงๆหรอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยปรากฏว่าพอจริงๆแล้วก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ไม่ทราบคิดไปเองหรือเปล่า น, นะคะก็คือเวลาคิดรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจหรือชอบใจหรือคิดลงไปเนี่ยก็จะรู้ตัวแล้วก็บางทีก็เร็วบางทีก็ชา้านะแต่ช่วงหลังนี่ก็พอคิดปุ๊บเนี่ยก็รู้ตัวปั๊บเลยค่ะ ก็เลยไม่ไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะคือคิดไปเองเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอยากให้พ่อแนะนำค่ะเราคิดไหมว่าเข้าข้างตัวเองคิดมากเลยค่ะว่าเข้าข้างตัวเองจิดมากไปพัฒนาขึ้นเยอะแล้วแต่ร่องรอยที่เคยฝึกอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการ มันจะไม่เป็นธรรมดาถูกไหมใ ช, ใช่ค่ ะ, ะนะแล้วก็เวลานั่งนั่งเวลาทำตามรูปแบบนะยมเมื่อก่อนยมก็จะไม่ซับพองยุบก็ไม่เคยได้เลยค่ะจนพระอาจารย์บอกว่าให้ให้ลองสวดอิติปิโสดูด mm hmm. ก็ได้แค่ครั้งสองครั้งหลังจากนั้นก็ต้องหาแบบอุบายใหม่เรื่อยๆพอครั้งที่มาอยู่วัดเนี่ยค่ะก็ภาวนานะคะก็阿拉หังพุทโธอิติปิโสพระวาณามามีหัง บวกกับและโชหลนังและชางฮลติฝั่คุว่าสามวันที่อยู่เนี่ยก็จิตก็นิ่งขึ้นเหมือนไม่กระสับกระสายแล้วก็หายใจก็ดีขึ้นออกออกไปมันก็ใช้ไม่ได้นะมันเป็นอุบายอุบายเนี่ยใช้ซ้ำสร้างไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไม่ลงจับหลักให้แม่นอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังมันเป็นปัญญานาสมาธิ อ่านใจตัวเองไปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เรื่อยๆดีไปฝึกต่อมีกันบ้างไหมคะนี่ไงให้แล้ว <c oughs> ขอบพระคุณค่ะให้คนนั้นเขาก่อนก็แล้วกันสุขรับสตรีก่อนเพราะหัวใจใกล้วายกับ <c oughs> กรับนวัสกรรค่ะค่ะ มาอยู่ที่นี่ก็มีแต่ฟุ้งกระหลับอยู่สองอย่างคะ่ะพอ่อฟุ้งกระหลับมันของคู่กันฟุ้งสซ่านแล้วก็ต้องหดหู่ซึมเศร้าเปนะ็นของคู่กันธรรมดาไปดูในจิตตานาาุปัสสนาคู่ที่สีนะ่ฟุ้งสซ่านะกับเสื่องซึมอะไรเนี้ยคู่กันทําไงดีอะทำไงดี เวลานั่งสมาธิก็นั่งได้สักสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นต้องใช้อุบายต้องต้องใช้นั่งหนอถูกหนอค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่ามันมันควรทำไห ม, มลุกขึ้นมาทำงานเคลื่อนไบไปเลยจุดที่ยังพลาดอยู่เพราะว่าเราทําไปด้วยความคาดหวังว่ามันจะดีดูออกป่ะดูออกอนั่นแหละตัวนั่นแหละกวางไว้ใจเรายังโลภอยู่ใจไม่ได้เป็นกลาง เมื่ที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยหวังผลตลอดเลย mm hmm. มันก็เลยไม่ได้ผลเพราะกิเลสมันยังอยู่คือโลภะมันยังอยู่ต่อไปนี้นะอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยไปส่วนจะบริกรรมจะอะไรก็ mm hmm. ใช้ได้ไม่ใช่จาใช้ไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้าคิดว่าบริกรรมแล้วจะสงบตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีใครทาได้ ไม่เคยสงบเลยครับเหมือนจิตมันพูดตลอดเวลาค่ะทั้งหลับทั้งตื่นพูดใช่จิตมันช่างพูดก็รู้ว่ามันช่างพูดนะดูมไปอย่าไปเกลียดมันอย่าไปโกรธมันอย่าไปหาทางแก้ไขมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจร่มๆอพอพูดมากเจ็บ<อ>ขบคุณค่ะอพูดภาษาสมัยใหม่นะอยเก่านามัสการครับ ก็พอให้ไปดูตัวเพ่งครับแล้วก็เห็นยังเห็นแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังเห็นแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วล่ะครับฝึกต่อดูจิตที่ไหลเคลื่อนไปขึ้นมานั่นแหละแค่นั้นพอดูตรงนั้น่ะถึงจบได้เลยนะเพราะว่าขั้นแต่ห่างจริงก็ลงมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่จิตนี้แหละจะเริ่มต้นไปดูกายดูเวทนาดูกิเลสดูอะไรก็ตามสุดท้ายมันลงมาที่จิตดวงเดียวนี่เ แล้วเข้ามาตรงนี้ได้เลยก็เข้ามาเข้ามาไม่ได้ก็ค่อยไปไต่เต้ามาดูจิตไม่ได้ก็ดูไกลไปอะไรถ้าเราเห็นจิตทํางานได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เราเป็นแค่คนดูนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจะตัวนี้นเราไปเห็นไตรลักษตลอดเวลาเวลาต้องการพักน้อมจิตไปอยู่ในความว่าง ลองหลับตาทําใจสบายรู้สึกไหมมันมีความบ้างๆอยู่เข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยแค่นี้มันก็ได้สมาธิแล้วสังเกตไหมตอนถอยออกมาเนี่ยจิตมันยังไม่กลับมาปกติเห็น ไ, ไหมมันยังค้างอารมณ์ในรูปตัวนั้นอยู่นะนั่นเวลาจะถอยออกมาเนี่ยพรวดออกมายัางไม่ได้นะต้องค่อยๆ ปรับมาที่กายหายใจให้แรงขึ้นนะจิตจยค่อยๆถอนถอนไม่กิ้มถอนพ่วดออกมามันเจออย่างนี้นะ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่พักนี่พอใจเราได้พักผ่อนพอสมควรแล้วดูมันไหลไปไหลมาเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็รูนะ้แล้วพอหมดแรงก็ไปอยู่ในความว่างๆลองเข้าไปในความว่างใหม่ซิ หาไม่เจอแล้วเห็นไหมมันวุ่นวายวุ่นไ่รู้ว่าวุ่นมันใส่ใๆ่ใส่ใชัไหมรูอ้อย่างที่เป็นใช้ได้แล้วดีบางคนว่าหลวงพ่อลําเอียงสอนหนูนะบไม่เห็นมีอะไรเลยสอนคนอื่นสอนเยอะสอนละเอียดประณีตไปดูตัวเองไป <laughs> หลวงพก็สอนให้ตามตามที่เราทําได้นั่นแหละครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้นสอนเป็นช็อตๆไปหลวงู่ดูลไปเรียกับท่านท่นก็สอนอย่างนี้นโยกเป็นครั้งสุดท้ายท่านรู้ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วท่านสอนแบบทิ้งทวนเลยเราต้องมาทำยี่สิบกว่าปี ก, กันบ้านข้อสุดท้ายเนี่ยกว่าจะเข้าใจ แต่ถ้าก่อนหน้านั้นท่านจะสอดเป็นขั้นๆไปเป็นลาดับเราดูอันนี้ได้เราไปบอกท่านท่านบอกไปดูใหม่ทาอย่างนี้ท่านไม่บอกว่าทำยังไงนะท่านไม่บอกไปทำยังไงทำไปเพื่ออะไรทไปทำไมเราก็มาถูท่านว่าแนละ้วผิดอีกแล้วมาทำใหม่คราวนี้เจ๋งแล้วถูกแล้วส่งกันบ้านบอกไปทำใหมนะ่ผิดอีกแล้ว ส่งันบ้านที่ไรมีแต่เรื่องผิดทุกทีเลยแต่หลังถึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะท่านชมว่าเราฉลาดเราเก่งแต่ที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เรารู้สึกผิดเนยเพราะว่าพอเราพัฒนาขึ้นไปเนี่ยของเก่าเนี่ยมันต้องทิ้งไปนะของเก่ามันเคยถูกมันก็ไม่ถูกแล้วอย่างเราเรียนปหนึ่งเนีย ขึ้นมัธยมนะทำเลขปหนึ่งตลอดเนี้ยทำถูกไหมก็ทำถูกทำเลขปหนึ่งไม่ผิดหรอกแต่มันงี่เง่าทำไมทําอยู่แค่นั้นนะแื้อพัฒนาคุณงามความดีนะความรู้ความสามารถนะพัฒนาไปได้วยบางทีเจอหลวงปูนะ่แล้วท่านส่วนใหญ่ท่านจะไม่ชมนะใครไปหานะี่ท่านไม่ถูกงี้ไม่ถูกงี้ไม่ถูกงี้ แต่หลวงพ่อท่านไม่ว่าหรอกหลวงพ่อเคยไม่ถูกครั้งเดียวนอกนั้นท่านก็โอเคถูกแล้วไปทำอีกประโยคที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมากที่สุด น, นะไปทำอีกไอหนุ่มเนี้ยเพ่งแล้วรู้สึกเปล่าใจแข็งๆแล้ว ใช้ได้นะเอา้าใครจำเป็นว่ามากลับตามมาตรการหลวงพ่อครับครับผมมีอยู่สองข้อเมื่อปีสามห้าผมได้นั่งสมาธิอย่างที่เรียนรู้ในหนังสือนะครับเสร็จแล้วผมก็ได้อยู่สามอย่างได้ว่า ได้ผงแล้วก็ได้นั่งนะครับอืมดิครับแล้วเมื่อปีหกสองปลายเดือนกันวาผมตำดาผมฟังอยู่ประมาณสองเดือนฟังประวัติหลวงปูม่มั่นอืมก็ได้ใจนะครับอืมแต่วันหนึ่งไปโดนอ่าอยู่ของหมข้พ อ, อ ม, มือไปโดนได้อย่างไรก็ไม่ทราบอืมแต่ถือว่าเป็นบุญของผมจริงๆนะครับนั่นแหละกขาเรียกกรรมจัดสรร <laughs> เป็นบุญจริงๆนะครับแล้วผมได้ทำวันแรกที่ผมทำตามหลวงพ่อฟังงพ่อก็ทำเลยขึ้นไปทำที่ <c oughs> หิ่งพระใน ท, ทันทีที่น่าหิ่งพระร็จแล้วได้เหมือนกันได้กระจายเลยครับพ่อเป็นอย่างฝุ่นเลยแป้งฝุ่นละอองไปหมดเพราะว่าที่หลวงพ่อพูดนะผมทำทั้งหมดกายก็ดูติดก็ตาม <c oughs> กายก็ทุกอย่างทาหมด โอโหกระจายทำไม่ได้หยุดไปสองสามวันแล้วไนทำใหม่แต่มีเหตุหนึ่งพ่อเมื่อวันที่สามพฤาติดเป็นอย่างนี้เลยอย่างพ่อแน่นอย่างนีน้วันที่ผมขับรถไปผมพูดโทรตามจิตอยู่แล้วไปถึงประมาณการทางที่จะไปสุพรสุพรรณนะครับกรุงเทพไปสุพรรณแล้วก็ได้ยินเหมือนใครบอกว่าลองย้อนชีวิตตัวเองดูซิเออดี ย้อนไปแล้วตั้งแต่อายุห้าสิบของผมนะนัปัจจุบันนี้ห้าสิบไปยันในท้องแม่นะครับ ม, มันภูม่ไยอะไรก็ไม่รู้น้ำตามันไหลแบบไม่อย่างไม่คาดฝันมันมไหลเป็นน้ำหลวงพ่ อ, อตรงนั้นคืออะไรครับปิติครับวันนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็อยากําข้อแก้รกรรมฐานที่ผมทำอยู่นะครับอย่ารักษาจิตปล่อยให้จิตทำงานนะอย่างควบคุมมากไป จะเครียดการปฏิบัติเนี้ยต้องชิวๆเครียดไปเอาอีกข้อหนึ่งครับเป็นอย่างนั้นหยุดยังวันที่สามจนยันวันที่ที่แปดรู้สึกมันมีพลังมีร่างกายเหมือนมีพลังช่างสารทำงาน mm hmm. สติปัญญาเฉียบแหลม mm hmm. นั่นคืออะไระครับพ่อก็อจิตมันได้พักนะมันก็ ปรับเปลียวว่องไวไปช่วงหนึ่งแต่จุดสําคัญเนี่ยนะสมาธิเรายังไม่ถูกนะใจเรายังถูกควบคุมถูกบังคับเยอะไปนะทําตัวให้สบายอย่าหวังว่าปฏิบัติแล้วจะได้อย่างน้นอย่างนี้จะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ดีก็ได้ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่สุขรู้วไม่สุขไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากดีรู้ว่าอยากอยากสุขรู้วอยากนะ อยากสงบรู้ว่าอยากนะอ่านตัวเองไปเรื่อยๆการปฏิบัติไม่ใช่การทําอะไรแต่เป็นการรู้ทันว่ากายมันทําอะไรใจมันทําอะไรเป็นแค่รู้ทันมันเท่านั้นเองของคุณยังทําอยู่รู้สึกไหมครับทำอยู่เออนะันะอะ่นแหละมันผิดตรงนะะรั่นแหละปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรดูกายมันทําดูใจมันทำํำนะเราไม่เกี่ยวข้อง ต่อครูหลวงพ่อนะครับหลงแล้วรู้ไหมตอนที่ส่งไม่อะ่ะเออเทองอย่างนั้นนะโน่นโนนโน่นโพวกเราก็ส่งตามยถา ก, กรรมส่งไปเลยไม่รู้ทิศทางการปฏิบัติก็ต้องมีทิศทางนะปฏิบัติส่งเดชไม่ได้ปฏิบัติมีทิศทางคือรู้ว่าปฏิบัติ อะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างเราจะทําสมถะทําเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้พผ่อนได้มีได้อมีแรงไม่ใช่ทาให้เกิดปัญญาจะทําอย่างไรน้อมจิตไปอยู่ในล ม, มันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงมือทําเดี๋ยวมันก็ได้จะเจริญปัญญามีจิตเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางาน เราจะได้ความจริงถ้าว่ามากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเออปีที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงอืมโยมก็กลับไปทําตามที่หลวงพ่อบอกอืมตลอดทั้งปีค่ะไม่ทราบตอนนี้จะพอมีแรงขึ้นบ้างหรือยังรู้ไหมรู้ค่ะอืมจิตมีแรงขึ้นมากมากค่ะนั่นแหละไปทําอีก หลวงพ่อเจ้าคะแล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยมันมีปิติเราจะข้ามปิติตรงนี้ได้ยังไงเจ้าคะเราไม่ข้ามปิติมีปิติเรารู้ว่ามีปิติปิติครอบงาใจรู้ว่าปิติครอบงำใจแล้วก็ปิติก็จะแยกออกจากใจมีปิติก็รู้ว่ามีปิติใจเป็นกลางรู้เฉยเฉยหรอเจ้าคะรู้เฉยเยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วแล้วตอนกลางวันธรรมดาเนี่ย บางทีปิติมันก็ครอบขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ามันครอบ <นะ S 1> ไม่ไม่ยินดียินร้ายก็ยินดียินร้ายแหละเจ้าข่าชอบเจ้าค่ะนั่นแหละยินดีก็รู้ว่ายินดีนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเออใช่โอ้แล้วรู้รู้รเฉยเฉยหรอเจ้าค่ะใช่แล้วต้องทํำยังไงต่อเจ้าค่าไม่ทํามีอะไรมาให้รู้ก็รู้ใหม่ จะเห็นแต่ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเห็นตรงนี้เจ้าค่ะเห็นว่าปิติมาแล look, ้วก right? ็เบาลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เบาลงแล้วก็หายไปนั่นอย่างนั้นแหละถูกแล้วอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติเจ้าค่ะเนี่ปิติมาก็ดีใจไม่รู้ว่าดีใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้เจ้าค่ะถ้ารู้แล้วก็ใช้ได้แลวเก่งตอนธรรมดาเนี่ยโยมเห็น เห็นการปฏิบัติเนี่ยมันพังทลายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไงเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกเพราะลืมไปแล้วคือมันเห็นแล้วมันดับไปแล้ว่เจ้าค่ะโยมก็ไม่ได้จํำมาไว้เอออย่างนั้นแหละดีจำมาไว้มันก็เป็นความจับนะเจ้าค่ะดูความจริงแบบทุกอย่างมันเกิดแล้วดับนะั่นแหละดีแล้วแล้วบางทีนะมันถึงายละเอียดถึงขนาด ไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับนะมันเห็นว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้ดีดนะเคยเห็นตัวนี้เจ้าค่ะแต่ก็จำไม่ได้เจ้าค่าจะจำไม่ได้ความจาเสื่อมเปล่าเจ้าค่ะเนะเสื่อมเป็นชงชงจาไม่ได้มีสองอย่างนะจิตไม่สนใจจิตเอาแต่หลักว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับอีกอย่างหนึ่งความจามันเสื่อมไป <laughs> หลวงพ่อเจ้าคะแล้วเวลาที่เราเกิดเวทนาทางกายเนี่ยอืมคือโยมจะปวดหัวมากๆอ่ะเจ้าคะตรงนั้นโยมจะควรทาอย่างไรไปหาหมอหาเขเจ้าค่ะกินยาแล้วก็อใจเรายังฟุ้งอยู่นะค่ะตื่นเต้นเจ้าค่ะอืสมาธิเราตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมดูออกเจ้าค่ะตื่นเต้นมากๆเจ้าค่ะตื่นเต้นเนี่ยส่วนตื่นเต้นใครตื่นเต้นดูออกไหม ใครเป็นคนตื่นเต้นดูสิทบเจ้าค่ะดูไปสิมันไม่มีคนตื่นเต้นหรอกเจ้าค่ะมันไม่มีเราตื่นเต้นหรอกมีความตื่นเต้นแต่ไม่มีคนตื่นเต้นต่อไปเวลาโกรธมีความโกรธแต่ไม่มีคนโกรธเวลาโลภมีความโลภแต่ไม่มีคนโลภโยมโยมเห็นเวลาโยมโกรธเนี่ยโยมเห็นเหมือนกับมีตัวไหลกระโดดออกไปโกรธ แต่ไม่ใช่ตัวโยมโกรธนั่นแหละดีดูอย่างนั้นแหละตัวเราไม่มีไปดูเรื่อยๆไปขอพระคุณเจ้าค่ะตื่นเ ต, ต้นผสมดีใจก็รู้นะกับกับธรรมศาสการหลวงพ่อค่ะก็เคยได้เคยเคยเห็นคยเห็นไ ต, ตลักเหมือนกันค่ะคือเวลาที่จิตไหลไปแล้วก็ออภาพที่ที่เห็นบันจางหายไปค่ะ แต่มาช่วงระยะหลังเหมือนจิตมันไม่เดินปัญญาเลยค่ะหลวงพ่อจะขอข้ามชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะเนี่ยฟุ้งอยู่คถ้าฟุ้งอยู่ไม่เดินปัญญาหรอกรู้ไหมใจฟุ้งซ่านทราบค่ะนั่นแหละไปฝึกในรูปแบบทุกวันทุกวันนะคแล้วต่อไปจิตมันมีกําลังเนี่ยมันเดินปัญญามันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะแต่แตาบางาคนไม่ชอบเดินนะบางคนไม่ชอบเดินปัญญามันจะนิ่งเฉยๆของคุณไม่ต้องกลัวหรอ ม, มันฟุ้งเก่งคพราะฉะนั้นมันจะเดินบันย่า ง, ง่ายอย่างเวลาที่ใจไหลไปคิดแล้วพอภาพที่มันจางหายไปแล้วทำไมจิตมันมีความสุขขึ้นมาอยู่ชัว่วเงื่อนะคะมันมีสมาธิขึ้นมา<ะ>ใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดหรือรู้เรื่องที่คิดรู้ว่าใจไหลไปคิดค่ะเออถ้าไงไั้นถูก พอเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดใจก็ไม่ไหลใจก็ตั้งมัน่นมีสมาธิขึ้นมาใจก็มีความสุขนนต่อไปอพอเก่งกว่านี้น ะ, ะพอไหลเรารู้ว่าไหลใจจะเป็นอุเบกขาน ะ, ะไม่ต้องตกใจความสุขเป็นของหยาบกราบขอบพระคุณค่ะนน่นท้ายห้องกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะ อยู<ด>่<า>ทำทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนจริงร อ, อันไหนที่ไม่สมควรทําก็ลดลงไปได้เยอะค่ะเออดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี้ยสติก็น้อยสมาธิก็ไม่พอตอนนี้ก็เลยมาเจริญเมตตานะคะแล้วก็มีความสุขแต่ว่าพบว่าความสุขนี่ยมันเสียแทงมากอืก็เลยความสุขที่เคยมากอะค่ะมันก็เบาลงไปเยอะแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่ามัน มันเป็นอุเบกขานะคะใช่เมื่อกี้ก็บอกแล้วความสูงเป็นของเสียดแทงดูออกแล้วใช่ไหมถ้า ม, มันจะไปอยู่ที่อุเบกขาก็คือหนูก็เลยอยากให้หลวงพ่อดูว่าหนูเดินอย่างนี้ถูกไหมอะค่ะถูกไปทำอีกใช่ทุกค่ะแล้วก็เวลาจาระเมตตาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กัลบลมด้วยเป็นไรไหมคะไม่เป็นนะ ใช่ถูกคะหลวงพ่อค่ะน้องข้างๆเขาอยากให้หลวงพ่อดูเขาด้วยหลวงพ่อเมตตาเขาหน่อยได้ไหมคะแล้วเขาอยากให้ดูหรือแบบ่ใช่ค่ะเขาก็ซิบบอกนะคะโผลหน้าขึ้นมาหน้าดูเสร็จแล้วนั่งได้ดค่อยรู้ทันจิตตนเองนะอย่างเมื่อกี้ตอนคว้ามหม่มันตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นนะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ ใจมันก็ปร่งสบายดีอยู่หรอกนะก็คอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปขอบพระคุณค่ะกราบนมรสกการหลวงพ่อค่ะเดี๋วไหน<ส>วะเดี๋ยวปันยกมืออยู่นี่ค่ะอืมดีว่าไปค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านเรื่องให้ไปดูกิเลสอย่างละเอียดค่ะทีนี้ดูต่อไป เห็นความดือดด้อด้านดื้อหลั น, นะคะแล้วก็ เ, เฮียมเหมือนเฮียมเกียมกับใจตัวเองใช่ค่ะรู้ไปนะแล้วก็ล่าสุดรูปแบบฝึกในรูปแบบอะคะ่ะตอนหลังทางโลกมันต้องทำงานเยอะหนูก็เปลี่ยนเป็นสวดมนต์ในในใจอะคะ่ะทีนี้ก็เห็นจิตไหลอะคะ่ะทีนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่อะคะ่ะไม่ได้ไม่เติมพลังให้จิตะคะ่ะ เวลาจะเติมพลังให้จิตก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว น, นะที่สบายๆไหนขอดูหน้าอีกทีมันยังไม่ค่อยสบายหรอกโทรศัมันแซ่ให้ไปรู้ทันจิตมันไม่ชอบจิตมันหงุดหงิดจิตมันมีโทรศัพ์รู้ลงไปเดี๋ยวมันดับไปแล้วใจก็สบายขึ้น ลองหายใจสิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวดูออกไหมเวลาเราหายใจจิตมันหนีไปคิดไประยะระยะใช่ค่ะเออนะดูไปหายใจนะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันหลงไปคิดไม่ว่ามันนะอย่าไปโมโหมันแล้วที่โมโหอ่ะ น, นะ กบมส ก, กา ร, ร เ, าเชิญกับบ้านนะพวกที่ยกมือตะกี้เนี่ยก็ไปถามผู้ช่วยสอนนะนี่หมดนะเชิ